เรื่องพระฉับพักขีจุดไฟเผากองหญ้าสมัยนั้นพวกภิกษุฉับพักขีจุดไฟเผากองหญ้าคนทั้งหลายตำหนิประนามพรทนาว่าเหมือนคนเผาป่าภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ที่กำลังไหม้